ปัญหาต่อไปเวลานั่งสวดมนต์เดินจงกรมหรือว่าํำลนดสติอยู่ที่ลาย อ, าอยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงแศกหน้าภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่ก็ปกติอยู่มันลงเข้ามาภายในรู้สึกจะอยู่เหนือจมูกขึ้นไปหน่อย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 ตรงเนี่ยตรงกลางตรงแสกหน้านี่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อทำนานๆเท่าอุปาทานความยึดในสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยจางหายไปแล้วก็กลายเป็นปกติบางทีเรานั่งสมาธิบางทีก็รู้สึกว่าถ้าเรารเส่งกระแสสิตข้นไปสูงมันก็ปวดศีรษะเรื่องออกข้างหน้ามากมันก็รู้สึกมีอะไรเสียบแทงแต่ถ้าก ด, ดความรู้สึกเห้ต่าลงมา มันก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่มาค้ำคอให้ก้มลงมาอันนี้มาเกิดอุปาทานที่เราสรุงขึ้นมาอ่าข้อต่อไปอการกําหนดจิตตามรู้ตามเห็นที่จิตจะกําหนดอย่างไรพระผุญเจ้าสิ่งที่ควรจะกําหนดตามรู้ตามเห็นเนี่ยเริ่มต้นแต่การเดินเดิ น, เดนนั่งนอนกินดื่มทําพูดเราเดินรู้ว่าเราเดินเรายืนรู้ว่าเรายืน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 เจตประพัฒสอนได้ในภาสิที่ว่าประพัฒสลัมือตังทุกเวทีตังจิตเป็นธรรมชาติประพัฒสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิมคาว่าประพัฒสอนของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดผ้าที่ขาวสะอาดตร้อมที่จะดูดติ่งสกรปรกเคยสีย้อมได้จิตประพัฒสอนหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งอยู่เฉยๆโดยที่ยังไม่มีอาจตนะมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อนเจ็บของคนเราเมื่อออกจากตั้งไปมีแต่เจ็บดวงเดียวยังไม่ถือปฏิปุสุทิก็มีเจ็บจิตล้วนลวนเจ็บล้วนล้วนที่ไม่มีอวัยวะประกอบคือยังไม่มีร่างกายมันทําอะไรไม่สาเร็จมีแต่ร่องรอยอยู่เสมอออยู่้เฉยๆนือนี่เมื่อทำที่เราได้ทําไว้ในภพนี้ชาตินี้ไปหนุนสรงให้จิตดวงที่ไม่มีตัวนั้น ไปเกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะจะมีความรู้สึกไม่คิดไปตามประสาทของร่างกายที่มันปกาะเกาะชาติขึ้นในเมื่อมันยังไม่มีตัวมันก็มีมันก็เป็นจิตประพัสตนแต่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์สะอาดเหมือนจิตสำเร็จอนิพพาน <c oughs> ข้อที่สองพระพุทธองค์กล่าวว่า พระอาหาระหันติบรรณภาพแล้วจิตหรือวัญญาณของท่านไปอยู่ที่ไหนาไปอยู่ที่ใดไม่ทราบเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยกันในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟมันลอยไปอยู่ณน้ที่แห่งใดสําหรับผู้ศรัทธาผู้ที่มิใช่พระอาหารหันต์เมื่อตายไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หรือไม่ว่า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 อันนี้ขอตอบข้อที่สงก่อนพระองค์พระพุทธองค์กล่าวว่าพระอราหันต์ที่ตายแล้ววิญญาณไปอยู่ที่แห่งใดหรือจะเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟไ ป, ไปอยู่ที่แห่งใดเอออันนี้ตอบยากสักหน่อยเพราะว่าผู้ตอบก็ยังไม่เป็นพระอราหารันต์แต่จะข อ, ขอเราคำปฏิตอบต่อตของที่เกี่ยวกับคนพระอุบาลีสิริจนันนโทจันมาตอบ ทัานจะพลโนบาลีกิเรจันโทจันท่านตอบท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าพระอราหารันต์พูดสําเร็จพระนิพพานแล้วอยู่เหนือโลกเพราะขั้นแห่งธรรมมีโลกียธรรมมีโลกุตละธรรมสภาพจิตของท่านผู้ใดยังคล่องอยู่ในโลกียังมีกิเลสตันหาอุปาทานยิดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสภาพจิตของผู้ปล่อยวางกิเลสตันหามานาัสสิติอุปาทานได้ขาดขึ้นแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่าโลกนี่เป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแม้จะมีร่างกายอาศัยโลกนี้อยู่แต่สภาพจิตก็ตเพียงแต่ว่าอาศัยร่างกายอยู่จนกว่าวิบากกรรมจะสิ้นไป <c oughs> และความสําคัญมั่นหมายที่จะยึดถือสิ่งใดนั้นไม่มีความผูกพันในโลกไม่มีท่นานเจ้าพระคุณอุบาลีจึงว่าจิตพระอรหันต์อยู่ถึงออโลกเ์เ <c oughs> <ๆ>นือที่ตรงไหนเนือสมมติบัญญัติว่าเป็นเราเป็นเขาของเราของเขา อันนี้เป็นคาตอบของท่านจาคุณเตวบาลีแต่ไม่ใช่คําตอบของหลวงพ่อพุทธนะหลวงพ่อพุทธจ้าไว้ตอบต่อเมื่อดวงจิตอยู่เหนือโลกแล้วจึงจะมาให้คําตอบอีกทีหนึ่ง <c oughs> ข้อที่สามหลักที่ว่าวิญญาณังอ น, นิจจังเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องตายไปกับปิณารวิญญาณังอ น, นิจจังวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อคนตายไปแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดใหม่ เมื่อจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับตายก็แปลว่าวิญญาณนั้นเที่อันนี้วิญญาณังอา น, นิจังเนี่ยขรามวิญญาณนี่มีสองอย่างอย่างหนึ่งวิญญาณเกิดลุกขึ้นในขณะที่อาเยตนะภายในกับอาเยตนะภายนอกกระทบกันเข้าเช่นตากระทบกับโกูกเกิดความรู้ขึ้นเลือดกกับขุวิญญาณแล้วก็ แต่รัทาวานทวานมีสิ่งกระทบโสตวิญญาณตาวนะิญญาณจิหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณโลทางหูต า, าลทางหูจมูกเลนตายหลาใจอันนี้เป็นวิญญาณในขันห้าสัญญ า, เ, าเวทนาสัญญ า, าสังขารวิญญาณสิ่งทั้งห้านี้อาศัยรูปเป็นฐานเกิดเมื่อโลกยังปราศจากความรู้สึกมีสัญญา อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรับรู้ทางทวาลหกยังปลาปกตูเท่นี้เมื่อร่างกายอันนี้ตายศาสตร์ูลงไปแล้วทวารหกตาหูจมู ก, กขึ้นกายก็สลายตัวไปยังเหลือแต่วิญญาณอีกโันหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็หมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวรับรู้สิ่งที่มากระทบนั่นเอง แต่ลักษณะของปฏิสมทิบิน ญ, ญานี้มีลักษณะตัดแต่ว่ารู้จักไปกดไปเกิดรู้จักไปปฏิสนทิโลจักจุติยังเป็นยิญญานังอา น, นิจจังอยู่เหมือนกันเพราะยังเปลี่ยนพบภาเปลี่ยนภบเปลี่ยนธาซึ่งย่อมจะเป็นไปตามกฎของกรรมทากรรมดีไปดีทำกรรมท่วไปท่วเช่นอย่างเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์ พบหน้าอาจจะเกิดเป็นเทวดาต่อไปเกิดเป็นพระอินถ้าถึงข้าวสวยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานอันนี้เรียกว่าวิญญาณังอ น, นิจจงคือพบที่เกิดมันยังไม่แน่มีทติไม่แน่เพราะยังมีกิเลสอยู่มากมายดิฉันเป็นผู้ใครปฏิบัติช่วยใจจริงแต่มีข้อสงสัยในบางประการจึงขอป ร, รับเปียนพระพุทธเจ้า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 การทำสมาธิเป็นเวลานานตีหากยังไม่เห็นนิมิตต่างๆอย่างผู้อื่นนั้นเป็นพระทำสมาธิยังไม่ถูกต้องวิธีสต่ิฉันเองพยายามนั่งไม่ช่อถอยอเรื่องของนิมิตนี้มักจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีกำลังใจอ่อนมีอารมณ์ไหวง่ายถ้ายิ่งคนใจอ่อนอยากเห็นนิมิตง่ายๆแ้วก็ พ อ, อนั่งบริกรรมภาวนาลงแล้วก็กจิตรู้สึกสงบเพิ่มบ้างลงไปสงกระแคจิตออกไปนอกแล้วก็เห็นภาพนิมิตต่างๆแจะขอบอกว่าการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทําให้จิตของเรามันหลงการภาวนานั้นจะมีนิมิตเกิดขึ้นก็ตามไม่มีก็ตามอย่าไปใฝ่ฝันอยากจะรู้จะเห็นนิมิตนั้นความมุ่งหมายของการภาวนานี่หนึ่ง ให้จ็ตสงบลงไปเพื่อจะรู้เห็นสภาพความจริงของจิตของเราว่ามันเป็นอย่างไรคือแรกเห็นความสงบของจิตและความฟุ้งซ่านของจิตก่อนเมื่อเจยตสงบลงไปแล้วเห็นลักษณะจิตที่สงบบ้างบ้างไม่มีอะไรเราออกจะใกล้จะรู้ความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมในลักษณะที่ได้กว่าประพัฒน์ธรมนิมิตรทางที่คเวจิตกัางจิตเป็นธรรมชาติประพัฒน์สอนคือจิตดั้งเดิมของเรา ทีนี้ในเมื่อเจต็บปัญญาว่างๆเป็นธรรมชาติประพัดสอนนั้นมีความรู้สึกสบายไหมมีความรู้สึกทุกข์ไหมให้มันรู้มันเห็นอันนี้เมื่อเจตบัญญออกจากสภาว่าอย่างนั้นมารัตู้อารมณ์แล้วมันเยอะไหมมีความทุกข์ไหมฟุ้งซ่านไหมดื้ดต้อนไหมให้รู้ว่เห็นกันที่ตรงนี้เรื่องนิมิตต่างๆนั่นจะเห็นหรือไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่สําคัญแต่ถ้าใครจะเห็นได้ก็ดีถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจ อย่าไปปรารถนาอยากจะเห็น น, นิดเป็นภาพเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนั้นมันเป็นเพียงทางผ่านของจิตเท่านั้นจะรู้จะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามขอให้มีจิตสงบรู้สภาพความเป็นจริงของจิตและอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตมีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นพอแล้ว ปัญหาของโปรดถามเนี่ยโดยปกติแล้วปฏิบัติวันละยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอันนี้ขอเสนอว่าอย่างน้อยไปขอตั้งพนิกานเอาไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องสมาธิให้ได้วันละสามครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงถ้าได้างนั้นเป็นดีที่สุดและจิตจะสงบจะรู้ทำเห็นทำได้ขอของท่านต่อไปการปฏิบัติธรรมทางฝ่ายมหายานกับเถรวาท มีข้อแตกต่างกันอย่างไรถา้าเมเจตตั้งมั่นมง่งสภาวะพระนิพพานแล้วการปฏิบัติทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวก็ควรปฏิบัติทางใดทางหนึ่งโดยทางเดียวหรือไม่ถ้าใช่ถ้าใช้ะใชจะการปฏิะจะปฏิบัติในทางใดเพราะเหตุดใดถ้าจะปฏิบัติ ควบคู่กันไปทั้งสองขางจะวุ่นวายหรือไม่เอออันนี้เป็นคําตอบที่ค่อนข้างจะยากนิดหน่อยคําถามที่ว่าการปฏิบัติในฝ่ายมหายานกับเทราวาาต่างกันอย่างไรอันนี้ขอบอกว่าทางฝ่ายมหายาณเฉพาะฝ่ายเดียวถ้าคุณเจ้าที่ปฏิบัติก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันทางฝ่ายเทราวาา ก็มีวัตถุประงสงค์ต่างกันเคอทั้งสองสายนี่ที่ว่าต่างกันนั้นบางขั้นปฏิบัติเพื่อมุ่งให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความรื่นไหเกิดความรับถือเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดตาติหานต่างๆเพื่อเป็นแนวทางชักจูงให้เกิดลากผลอันเป็นฝ่ายอามมตร ไม่ได้มุ่งต่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจอันนี้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ทั้งมหายารยเลยเถลาว่าก็มีจุดมุ่งหมายอยู่สองอย่างเหมือนกันหนึ่งปฏิบัติเพื่ออารามิติสองปฏิบัติเพื่อคว า, ามบริสุทธิ์คือสําเร็จพระนิพพานาพทีนี้ที่ควรจะถือเป็นหลักปฏิบัตินั้น ควรจะยึดหลักที่ว่าปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจเพื่อบรรลุมรคนิพพานอามิตรและความนิยมรับผือที่ได้จากประชาชนถือเป็นเตียงผลปล่อยได้โดยความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัตททิทำดีตามแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยในเมื่อใครทําดีแล้วทําได้ดีแล้วศีลธมาที่ปัญญาประจมพร้อมลงไปแล้วจะปราชนาสมบัตินโลกีโลกุตตะก็ได้ทั้งนั้นถ้าใครเชื่อมั่นแล้วก็มุ่ง ตรงต่อความสงบจิตไปรู้จึงเห็นจริงในสภาวะธรรมจนกระทั่งทนกิเลสให้หมดไปจากจิตเจอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องปัญหาของท่านผู้นี้เวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าเหมือนตายจะระเบิดออกแต่เป็นเฉพาะคือฝ่ามือเจ็ดเจนสบายปลง่งลมหายใจเบาขึ้นเบาขึ้นควรจะปฏิบัติอย่างไร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 โดยมีความตั้งใจข่มและบังคับจิตเข้าน้อมไปในทางที่สงบบางคีัเมื่อเกียรตสงบลงไปจริงๆแล้วจะกลายเป็นสมาธิตัวแข็งเราะฉะนั้นพููที่ภาวนาเพื่อจะให้เบากายเบาจิตกันจริงๆแล้วอย่าไปบังคับความรู้สึกเพียงจะ่วดคุมจิตให้อยู่กับบริกรรมภาวนาเท่านั้น เช่นอยภาวนาพุทโธเนี่ยเน้นเข่งพุทโธกับพุทโธพุทโธพุทโธสติสัมปชัญญะไม่ต้องตัดเมื่อเราเน้นเขงพุทโธพุทโธพุทโธไว้กับจิตียไว้กับพุทโธสติสัมปชัญญะมาเองโดยอัตโนมัติหน้าที่เทียงแค่ในพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกเบาเบาและก็อย่าไปปรานาให้เกิดผลใดๆขึ้นมาทางนั้นเมื่อทําไปๆสมควรแล้วผลจะเกิดขึ้นมาเองแต่ว่าต้องทําให้มากๆหน่อยนะ ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีไม่พอเวลาเดินจงกรมกําหนดอนาปาโนาาสติเดินเปนานพอสมควรรู้สึกว่าชนความดุลที่อยู่ข้างล่างหมุนหมุนได้เหมือนกับน้ําในถุงที่ถูกมือกวนอันนี้เป็นกระเาว่าสองสิทธิความหมุนความเวียนความเอที่แทนดุลจะพิกกับเป็นอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นอาการของสิ่ที่สูงขึ้น เคื่อเจ็บของเราอาจจะปรุงไปเป็นต่างๆอันนี้ถ้ามีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติกําหนดรู้ลงที่จิต้วเอาสิ่งนั้นเป็นเครื่งสัพพะแต่เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติระคับประคองตัวผู้รู้เอาไว้ให้ดีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราจะรู้แจ้งเห็นชิงเองแต่ปัญหาข้อต่อไปเมื่อเรามีทุกขเวทนาเช่นความเจ็บปวดเป็นต้น ตจะมีพิธีพิจราราหรือบรรเทาความเจ็บปวดได้อย่างไรพุกขเวทนาเป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เพียงแค่กําหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ถ้านั่งก็นานแล้วโปวดแฉ่งปวดขาทนไม่ไหวเปลี่ยนอิรยาบถมีทางเดียวเท่านั้นถ้าหากใครสามารถที่จะเข้าสมาธิห้างถึงขนาดที่ว่าตัวหายไปได้ภายในครึ่งวินาทีหรือครึ่งนาทีเรียกกําหนดเจตเข้าสมาธิให้มันปล่อยวางความมีตนมีตัว พุกอเวทนานั้นจะหายไปแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างนั้นคนไม่ไหวก็คิดแข้งคิดขาเปลี่นอิริยาบตถตั้านั่งลานนักมันเกิดปวดก็เปลี่ยนเป็นเดินหรือถ้านั่งขาซ้ายทับขาขวาขาขวาทับขาซ้ายลา น, นตรงตายมันเกิดเหน็ดก็คิดเปลี่ยนจะมานั่งทับเที่ยวก็ได้หรือจะลุกไปนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่ท่านตอนนี้ต้อง อาสัยความเปลี่ยนอิรยาบทเป็นสําคัญถ้าเราฝึกฝนอทตให้สามารถที่จะเข้าสมาธิในขั้นทานได้เร็วเมื่อมีทุภพเวทนาเกิดขึ้นเลีก่กงกำหนดจิตเข้าสมาธิแล้วมันจะได้ปล่อยวางความเจ็บปวดในนั้นปัญหาท่านข้อต่อไปในการนั่งฟังธรรมหากทานสมาธิไปด้วยพิจารณาคําเทศน์คำสอนในขณะนั้นจิตรับรูเ้เสียงที่ได้ยินพุกข่อยำ่ำ แต่เมื่อถอนจากสมาธิแล้วก็เหตุใดจึงละเล็กไม่ได้เลยอันนี้สภาว่าจิตเพียงแต่รับรู้สัมผัสแต่ไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรพอได้ยินแล้วพอจากว่าแต่ได้ยินได้ยินแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ได้กาหนดจดจําเป็นลักษณะของจิตที่มีสมาธิบัางพอสมครูรลักษณะของจิตที่มีสมาธิบ้างพอสมควรเวลานั่งฟังธรรม ถ้าคำนั้นเป็นที่ปลูปกเดปลูกใจจิตจะตามกําหนดรู้ธรรมกระแสแห่งคำนั่นเองถ้าว่าการแสดงคำนั้นไม่ดีเรื่องไม่เข้าใจจิตมันก็ปล่อยวางไม่สนใจแล้วเข้าสู่ความสงบอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตผู้ที่ฝึกสมาธิมาแล้วมหาสติปัฏฐานละคนละประโยชน์มหาสติปัฏฐานแปว่าฐานที่ตั้งแห่งสติาาอันใหญ่หลวง จึงได้เชื่อว่ามหาสติปัจจัยที่นี่ฐานที่ตั้งของสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมผู้ใดเอากายเป็นเครื่องรูปของจิตเวทนาเป็นเครื่องรูปของจิตจิตเป็นเครื่องรูปของจิตธรรมเป็นเครื่องรูปของจิตเป็นเครื่องเลือดของสติจำหนดบ่อยๆทำบ่อยๆพิจารณาเมืองๆเจริญให้หมักมากระทั่ให้หมักมากเมื่อทำได้แล้วเกิดสมาธิขึ้นมา โดยจิตเยึดอยู่กับอารมณ์นั้นๆเป็นอย่างๆเรือพร้อมกันหมดทั้งสีอย่างเกิดสมาธิขึ้นมาทําให้ผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมื่อสติมีพละกําลังัแก่กล้าแล้วจะกลายเป็นมหาสติปักฐานเมื่อจิตเป็นมหาสติแล้วสามารถจะปธิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมสามารถประทับประพองจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านในเวลากระทบกับอารมณ์ จะกลายเป็นสติวินโยสติเป็นผู้นํานําทางไปสู่ทางมรรคผลมิตพภาพขอย้ําอีกทีหนึ่งว่าการู้เห็นอะไรต่างๆนั้นไม่สําคัญเพียงแต่ว่ารู้แล้วเห็นแล้วเอาสิ่งนั้นเป็นที่ละลึกของจิตเป็นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นที่ละลึกของสติสร้างสติตัวนี้ให้มีพลังเต็มเป็นมหาสติอันนี้คือจิตที่นักปฏิบัติต้องการ ถ้าหากว่าเราภาวนาแล้วมีความรู้ความเห็นมากมายกายกองแต่สติตามไม่ทันมันหลงความรู้ทีคือหลงความรู้แล้วจิตฟุ้งใหญ่กลายเป็นสัญญาวิปรัชต์แต่สำคัญสิทว่าเราได้บรรลุมรรคผลนิานอ่าการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรทําแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างกระถิ่นในผ้าป่าเป็นสังฆทานหรือไม่การถวายสังฆทานหมายความว่า อายุมีปัจจัยสี่อะไรก็ได้โดยเจตนาน้อมเข้าไปถวายเพื่อตงูงเข้าไปในวัดเต็มไปในวัดสักประทุมเนี่ยเอาบอ ก, กบพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วข้าพเจ้าขอถวายสังฆทานจะ ก, กล่าวก็าตามไม่กล่าวก็าตามคําถวายสังฆทานเพียงแต่ประเพณีของแล้วของนี่ถวายสังฆทานนับประคุณเจา้าบอกให้ท่านรู้อย่างนี้ก็เป็นสังฆทาน แต่ถ้าจะทําให้ถูกต้องตามวิธีจริงๆแล้วเนี่นยเมื่อจับของที่จะสังฆทานแล้วเราก็นําเข้าไปหาพระที่บนสักสิวองค์เป็นอย่างไรไปแล้วก็จุดธูปจุดเกลีนไหวพระสมาทานสืบถ้าแล้วก็กล่าวคําถวายสังฆทานเมื่อถวายพระแล้วท่านอนุมัต น, นาแล้วก็เป็นเสร็จพิธีที่นี้ประโยชน์ที่จะให้เกิดเช่นนั้นตามหลักคือพระพุทธองค์แสดงไว้ว่า การให้ทานต่อบุคคลผู้เดียวเรียกว่าผุกคลิการทานเป็นทานที่เฉพาะแต่สงอานิสงมีน้อยแต่ถ้าทากับพระสงฆ์นั้นมีอานิสงมากถ้าหากว่าทําแก่สงฆ์เพราะพระไตรชาวเป็นประมุขประธานยิ่งเป็นอานิสงอย่างมากผลต่อต่างกันอยู่ถ้ า, าการละสถินกาถิขข่นนี้เป็นสงฆทานโดยตรงหรือเครื่องไม่ได้ ข้าพานนี่เป็นสังฆทานก็ใดเป็นส่วนบุคคลก็ได้แล้วสโาวนาของเจา้าผักแต่กติณี้ต้องสังฆทานอย่างเดียวในปัญหาข้อต่อไปนรกสวรรค์เริ่มมีมาเจอเมื่อหนรกสวรรค์เริ่มมีพร้อมเราพูดกี่เจ้าหรือไมอ่ครับนรกสวรรค์นี่มีมามีมาตั้งแต่สิ่งที่มีดิน ญ, ญาณเกิดขึ้นในโลก ถ้าหาทางและคุณทยาศาสตร์ว่าโลกแผ่นดินนี้ตกเป็ชิ้นส่วนเพ่งตกมาจากดวงอาทิตย์ในตอนแรกตอนมีความร้อนระอุเหมือนไฟถ่ายล้างมาโลกมันเย็นลงเกิดมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นในโลกสวรรค์แลโลกเกิดขึ้นพร้อมกับสัตว์มีชีวิตเกิดขึ้นในโลกทีนี้สวรรค์แลโลกนี่เมือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเมื่ออาพระพุทธเจ้าเพียงแตรู้ว่าในาโลกมีสวรรค์มี ดังคือว่าพระพุทธเจ้าสัจจะทำของจริงที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาสร้างสรางเป็นสิงขึ้นมาแล้วมาสอนให้คนสัสจรู้อนุนรกสวรรค์นรืมืก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าป็ะแต่วงผู้มารู้ออตามคํำอธิบายตามดูนามอ่านดูนามมาทำเกิดสัต พอเข้าใจเห็นเกิดดับเป็นปัจจุบันรวมได้แต่ตามโรกายรูปธรรมให้เห็นเกิดดับเป็นปัจจุบันลรทมนั้นไม่เข้าใจทีนี้การตามโดกายให้เห็นเกิดอะไรปัจจุบันละทำเพื่อความจำง่ายๆลมหายใจออกหายใจเข้า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 คนที่ไม่สามารถจะรักษาศีนี้ได้เนื่องจากร่างกายนี้โรคประจำเนื่องจากต้องรับทานอาหารบ่อยๆก็ตัดกระเพาะอาหารไปบางสวา่วนเชนั้นนด้แต่ปฏิบัติเพียงศี ห, าาาททหา้าได้แตปฏิบัติเพียงสีห้าสุดยกดโแล้วการปฏิบัติสีห้าให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิได้ปัญญาเหมือนกั น, นกบรรลุบัพตผลหรือผ่าน ตัวอย่างเช่นบางวิสาขาก็มีศีลห้าบางวิสาขาสําเป็นตัตตาบันตั้งฐานที่เจ็ดควดยังไปแต่งงานอยู่ก็แสดงว่ามีเพียงแค่ศีลห้าเท่านัา้นโดยจากนั้นวินนสาขานี่เป็นประโสดาบันเป็นพระอริยบุตรคลผู้มีแต่เพียงศีลหา้หาเท่า น, นั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อก า, ารบรรลุมรรคผล